สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพผมนายทรกรคนชอบเล่าทริปนี้อยากจะเล่าเกี่ยวกับวิชาไสายศาสตร์อีกศาสตร์หนึ่งนะครับชื่อว่าอาคมจําแลงกายก็คือวิชาที่สามารถจะทําให้แปลงเป็นสัตว์ต่างๆได้เหมือนกับแปลงร่างเป็นเสือสมิงอะไรประมาณนั้นแต่ที่เคยได้ยินได้ฟังกันมาแต่การแปลงร่างเป็นสัตว์อื่นก็มีปรากฏให้เห็นในประวัติเหมือนกันนะครับมันมีประวัติเล่า ว, ว่าอุปราชแห่งราชอาณาจักรลาว ท่านนุชาต่างพระมานดาของพระเจ้าสีสว่างวงวัฒนาพระมหากษัตริย์ของประเทศเราในอดีตเสด็จลี้ภัยทางการเมืองมาอยู่ในประเทศไทยโดยในเชื้อพระวงพระองค์นี้ทรงโปรดปานการล่าสัตว์เป็นอย่างยิ่งยิ่งป่าดงดิบลึกของไทยแล้วไปมาแทบจะทุกป่าเจ้าเพชรดาษนั้นเสด็จไปเที่ยวและล่าสัตว์มาจนทะลุปุบโปร่งไปหมดครั้งหนึ่งเจ้าเพชราเสด็จไปท่องป่าแถบจังหวัดอุทัยธานีขณะที่ออกไปซุ่มยิงสัตว์นั้น เจ้าพชราราศกเห็นหมูป่าโทนตัวหนึ่งกําลังขุดหาอาหารหน่อไผ่กินพระองค์จึงยิงหมูป่าโทนตัวนั้นปังแต่กระสุนไม่ถูกที่สําคัญหมูป่าจึงไม่ตายทันทีแล้ววิ่งเตลิดหนีไปเจ้าเพชรราพร้อมกับพลานคนสนิทจึงได้รีบติดตามรอยเลือดไปเพื่อจะยิงซ้ํารอยเลือดที่ทิ้งไว้เป็นระยะระยะนั้นนําทางไปจนถึงไร่ข้าวโพดเล็กๆแห่งหนึ่งกลางไร่ข้าวโพดมีเรือนเล็กๆหลังหนึ่งของชาวไร่ชาวป่าปลูกอยู่หลังหนึ่ง บริเวณที่ตั้งของไร่นี้อยู่กลางป่าลึกห่างไกลจากเขตชุมชนไม่ติดกับชุมชนใดๆรอยเลือดของหมูป่าตัดผ่านไร่ข้าวโพดแล้วก็ตรงไปยังเรือนหลังนั้นที่น่าประหลาดก็คือมีรอยเลือดตรงที่ขึ้นบันไดของเรือนหลังนั้นอย่างชัดเจนเจ้าเพชรราชเองก็ทรงงุนงงที่เห็นรอยเลือดซึ่งแสดงว่าหมูป่าที่บาดเจ็บนั้นได้ตะกิยตะกายขึ้นไปบนเรือนจากนั้นเจ้าเพชรราชและพรานสนิทจึงได้ขึ้นไปบนเรือนหลังนั้น ภายในห้องลุง่งรุงบนเสื่อเก่าๆมีร่างของชายวักลางคนนอนหงายสิ้นใจตายอยู่ตรงสีข้างใกล้ๆกับตำแหน่งของหัวใจนั้นมีบาดแผลคล้ายกับถูกยิงเลือดไหลนองส่งกลิ่นคาวคลุ้งสแสดงว่าเพิ่งจะสิ้นใจไปเมื่อเร็วๆนี้เจ้าเพชรราชณพรานได้แต่ยืนตะลึง ง, งุนงงสงสัยที่ไ่เห็นชายชาวป่าร่างกายผอมเกร็งนั้นนอนตายอยู่ในลักษณะถูกประทุษร้ายด้วยอาวุธที่หนัก จากร่องรอยของเลือดที่หยดเลี่ยไรายมาเป็นทางตั้งแต่พื้นดินด้านล่างจนไปถึงตำแหน่งของศพนี้สแสดงว่าชายคนนี้ต้องถูกยิงมาจากที่อื่นแล้วกระสึกกระสนสมสารจนมาถึงที่อยู่ของตนหน้าแปลกก็คือบาดแผลตรงสีข้างของชายชาวบ้านนี้ตรงกับบาดแผลที่เจ้าเพตรายิงถูกหมูป่าตัวนั้นแต่ก็ยังไม่น่าพิศวงเท่ากับว่าที่เจ้าเพตรากับพรานได้ตามรอยเลือดของหมูป่าทวนมาตลอดและรอยเลือดดังกล่าวก็ตรงแนวมาอย่างเดือนหลังนี้โดยไม่เบี่ยงเบนไปทางอื่น รอยเลือดได้สิ้นสุดลงที่เดือนหลังนี้เช่นกันถ้ารอยเลือดเป็นของหมูป่าโทนที่ถูกเจ้าเพชรราชยิงและตะเกียกตะ ก, กายมาจนถึงเดือนหลังนี้ในป่ามีรอยเลือดที่เห็นชัดเจนว่าไต่ขึ้นบันไดขึ้นมาข้างบนแล้วหมูป่าหายไปไหน <mm> เหตุใดจึงมีชายชาวป่ามานอนตายแทนเรื่องนี้ไม่มีเหตุผลอื่นใด น, นํามาอธิบายได้นอกจากจะคาดเดาเอาว่าชายชาวป่าที่นอนตายอยู่นี้ก็คือหมูป่าโทนตัวที่เจ้าเพชรราชยิงนั่นเองและถ้าชายชาวป่าเป็นหมูป่าโทนได้ ก็หมายความว่าชายชาวป่าเป็นอีกผู้หนึ่งที่เราเรียนวิชาไสยศ า, ศาสตร์จำแรงแปลงกลายเป็นสัตว์ได้และเขาได้จำแรงกลายเป็นหมูป่าออกหากินอาหารจนกระทั่งไปพบกับเจ้าเพชรราศเข้าโดยบังเอิญจึงถูกยิงเข้าที่สำคัญแต่ไม่ตายคาที่นี่ก็คือประสบการณ์อันเหลือเชื่อครั้งหนึ่งในชีวิตของเจ้าเพชรราศซึ่งเป็นปริศ น, น, นาตลอดว่าชายชาวป่าคนนั้นเป็นคณเดียวกับหมูป่าโทหรือไม่อย่างไร ส่วนเรื่องสมิงประเภทที่คนสามารถจําแนงแปลงกลายเป็นสัตว์ร้ายหรือเสือโครงนั้นก็เคยมีพระเถระองค์สําคัญในพระพุทธศาสนาเคยเผชิญมาแล้วหลายรูปหลายองค์ดังเช่นท่านครูบาธรรมชัยวัดทุ่งหลวงอีกรูปหนึ่งซึ่งท่านก็เคยผจนมาแล้วเช่นกันครูบาธรรมชัยวัดทุ่งหลวงอําเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่นับเป็นพระอริยสงฆ์องค์หนึ่งแห่งภาคเหนือจากอัตรประวัติได้ระบุชี้ชัดว่า ในวัยเยาว์ของท่านมีแนวโน้มเอยียงฝักใฝ่ในทางธรรมอย่างชัดเจนประกอบกับโยมบิดามารดาดํารงตนตั้งมั่นอยู่ในศีลธรรมเป็นแบบอย่างมาตั้งแต่จําความได้เหตุนี้ครูบาธรรมชัยจึงปรารถนาจะเข้าสู่ร่มการสวัสด์อย่างแน่วแน่เมื่อเรียนจบปฐมปีที่3อายุได้15ปีได้รบเร้า บ, บิดามาขอบวชเป็นสัมเณรบิดาจึงได้พาตัวไปฝากเป็นสิทธิ์ของวัด ส, รรปปสันป่าศักดิ์หาดเต่าเรียนเขียนอ่านอักษรทางเหนือ และบทสวดศิกขาสัมมเนนอยู่3เดือนจึงได้เข้าพิธีบรนประชาเป็นสั ม, มเนนเมื่อวันที่15มีนาคมพุทธศักราชสองพเจ้าที่การคํามูลธรรมโสวง์เป็นอุปปชชาจําพรรษาที่วัดแม่สารตองซึ่งอุ ป, ปัชชาจานั้นเป็นเจ้าอาวาสเมื่อบูดเป็นสัมมเนนแล้วครูบาธรรมชัยมีความสนใจปฏิบัติธรรมกรรมฐานอย่างยิ่งพยายามปฏิบัติภาวนาจเจริญสมาธิอย่างสม่ําเสมอ ขณะเดียวกันก็ครุ่นคิดต้องการจะออกไปจาริกธุดงตามสถานที่วิเวกอันห่างไกลจากผู้คนพุกพล่านด้วยนึกถึงแบบอย่างครูอาจารย์ซึ่งถือเอาเป็นการบําเพ็ญเพียรแสวงหาโมฆะธรรมอันวิเศษตามป่าตามเขาเพียงลําพังดังนั้นเมื่อบุตเป็นสัมมาเนนได้หนึ่งพรรษาจึงตัดสินใจออกจากริกธุดงเพื่อปฏิบัติธรรมกระทําความเพียรแต่เพียงรูปเดียวเมื่อไปกราบลาขออนุญาตจากพระอุปชาท่านเจ้าอาธิการคํามูล อุปัชาจารย์ก็ตกใจเนื่องจากเห็นว่าท่านยังเป็นเด่นน้อยอายุยังอ่อนพรรษานักการเจ้าทกธุดงไปตามป่าตามเขาเพียงลําพังรูปเดียวนั้นอาจเกิดอันตรายขึ้นได้ทุกเมื่อท่านจึงห้ามปรามาไว้แต่ครูบาธรรมชัยขณะนั้นเป็นเนนที่มีความมุ่งมั่นไม่คลอนแคลนพยายามอ้อนวอนขอให้อุปัชาจารย์อนุญาตให้ตนได้ออกทุดงเพื่อบําเพ็ญธรรมตามศรัทธาด้วยเถิดเจออ้าอธิการคํามูลเห็นว่าคงทัดทานอาไว้ไม่ได้ จึงต้องเอ่ยปากอนุ ญ, ญาตไปและได้สั่งสอนแนวทางทุดดงวัดตลอดจนการปฏิบัติตนเมื่อบำเพ็ญธรรมเพียงรูปเดียวด้วยความเมตตาคูบาธรรมชัยก็น้อมรับคำสั่งสอนนั้นไว้เมื่อนำมาสการปราบปลาพระอุปัชฌายา์แล้วคูบาธรรมชัยจึงออกจากวัดแม่สารบ้านตองโดยมีบริขารแค่เพียงผ้าสามผืนและบาทเท่านั้นส่วนมุ้งกรดไม่มีเนื่องจากไม่ได้เตรียมจัดทหาอาไว้แต่คิดว่าการไม่มีมุ้งมีกรด ก็คงไม่มีปัญหาอะไรเพราะตั้งใจว่าจะอาศัยรุปขุมูลพักใต้ร่มไม้ใบบางพอป้องกันน้ําค้างหยาบวิการได้ส่วนเหลือบยุ้งรินไรที่จะมารบกวนตั้งใจว่าจะใช้ความอดทนอดกลั้นเข้าสู้คงไม่หนักหนาสาหัสอะไรนักออกจากวัดมาแล้วก็บ่ายหน้าเข้าสู่แนวป่าแนวไพรจิตใจรู้สึกเบิกบานรื่นรมต่อความสงัดเงียบของธรรมชาติที่ห่างไกลความพลุกพล่านของผู้คนยิ่งพาตัวเองออกจากความวุ่นวายในทางโลกมากเท่าไหร่ ครูบาธรรมชัยซึ่งยังเป็นสมณี น, นั้นก็ยิ่งรู้สึกปลอดโปรง่งโล่งใจยากจะบรรยายออกมาได้ความบาดกลัวที่จ ะ, ะเผชิญอันตรายใดๆไม่ปรากฏขึ้นในจิตจิตกลับฮึกเหิมที่จะฝ่าฟันอุปสรรคทั้งหลายไม่ครั่นคา้าำเดินผ่านทุ่งนากว้างใหญ่จนพ้นเขตทำกินของผู้คนก็เข้าเขตชายป่าที่มีชื่อว่าป่าห้วยดิบขณะที่กำลับบงเดินเข้าสู่ป่าห้วยดิบได้สวนทางกับชายวัยกลางคนผู้หนึง่ง ชายผู้นั้นนมัสการแล้วถามว่าท่านจะไปที่ใดเนนจึงตอบว่าจะเข้าไปปฏิบัติธรรมในห้วยป่าดิบได้ยินแล้วว่าเนรจะเข้าไปปฏิบัติธรรมในห้วยป่าดิบชายคนดังกล่าวก็แสดงความตกใจรีบห้ามเนนไว้และเล่าว่าห้วยป่าดิบอ่ะขณะเนี้ยมันมีเสือตัวหนึง่งออกอารวาสสงสัยจะเป็นเสือสมิงไงนะว่ากันว่าเสือสมิงตัวเนี้เป็นเสือที่เกิดจากวิชาอาคมมีพระภิกษุรูปนึง มีวิชาอาคมทางไสยศาสตร์แก่กล้าได้ศึกษาวิชาเสือเย็นจนสําเร็จได้ได้จำแนงกลายเป็นเสือโครงตัวใหญ่เกือบเท่าควายหนุ่มแต่จะด้วยอาเพศหรือบาปกรรมอันใดไม่ทราบได้เมื่อแปลงตัวเป็นเสือแล้วก็ได้ไปฆ่าวัวควายของชาวบ้านกินต่อมายังฆ่าผู้ที่เข้าป่าไปหาของป่าอีกหลายคนทําให้เกิดความหวาดกลัวสําหรับคนในพื้นที่แถบนี้ใส่แวกกลางคนได้ขอร้องไม่ให้สามเณรหรือครูบาธรรมชัยเข้าไปในป่า เนื่องจากอาจเกิดอันตรายเพราะเสือเย็นตัวนี้ได้ทุกเมื่อเนรับฟังคํานาคกลัวจากผู้หวังดีโดยไม่ได้รู้สึกหวั่นหวั่นพรั่นพึงแต่ประการใดด้วยแตะหนักว่ามนุษย์ทุกรูปทุกนามย่อมมีวรรคสุดท้ายอยู่ที่ความตายด้วยกันทั้งสิ้นจะตายเมื่อไรตายเมื่อใดย่อมแล้วแต่เวรกรรมของตนหากการเข้าไปในป่าและถูกเสือเย็นปิดชีวิตนั้นนั่นก็หมายถึงจะต้องมาตายเช่นนั้นจะหลบเลี่ยงเบี่ยงเบนแค่ไหนก็ย่อมไม่ได้อีกประการหนึง่ง เจตนาในการเข้าป่าไม่ใช่เพื่อเข้าไปเบียดเบียนทำร้ายผู้อื่นผู้ใดหากต้องการเข้าไปอยู่ในสถานที่อันวิเวกจะให้เกิดประโยชน์ต่อการปฏิบัติภาวนาเจะเดินสมาธิเป็นการปฏิบัติธรรมะกระทำความเพียรตามแนวทางการสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหากการมุ่งบำเพ็ญธรรมเพื่อหวังจะหลุดพ้นจากกองกิเลนนี้เป็นการนำตัวเองไปสู่ห้วงแห่งความตายเด น, นก็พร้อมจะผีชีพให้ คูบาธรรมบัญชได้อธิบายถึงจุดประสงค์ที่ท่านจะเข้าไปเจริญภาวนาในป่าห้วยดิบแก่ชายผู้หวังดีคนนั้นทําให้ชายวัยกลางโคนรู้สึกเลื่อมใสศรัทธาอย่างยิ่งจากนั้นเนนก็แยกทางมุ่งหน้าเข้าป่าต่อไปเมื่อเข้าไปในป่าใหญ่ลึกพอสมควรเมื่อพบทําเลอันเหมาะสมที่จะพักได้เพื่อปฏิบัติภาวนาเนนจึงเลือกตรงโคนต้นไม้ใหญ่ต้นหนึ่งเป็นที่เจริญภาวนาไม่ไกลจากบริเวณนั้นมีห้วยน้นําเล็กๆมีน้ําใสสะอาด พอที่จะใช้เป็นน้ำฉันและน้ำสงได้นับปเป็นสถานสับปลายะพอสมควรครูบาธรรมชัยขณะนั้นเป็นเนรหนุ่มน้อยลุกขมูลอยู่ที่ใต้ต้นไม้ดังกล่าวตั้งแต่บัดนั้นจเจริญสมาธิสลับกับการเดินจงกรมตั้งแต่บ่ายไปเรื่อยๆจนถึงเย็นหลังจากลงไปสงน้ำที่ลำห้วยเรียบร้อยแล้วก็กลับมากระทำความเพียรต่อโดยพิจารณาสติปัฏฐานสี่เป็นแนวทางปฏิบัติป่าดงพงไพรอันเงียบสงด ทำให้จิตรวมสู่สมาธิเป็นอย่างดีเวลาได้ผ่านไปจนค่อนดึกค่อนดืน่นเนร์จึงได้ถอนออกจากสมาธิแล้วงีบหลับพักผ่อนเมื่อฟ้าสางตื่นขึ้นมาพอมองเห็นลายมือก็ห่มคลองจีวรรัดกุมอุ้มบาทออกเดินจากป่าไปสู่หมู่บ้านที่อยู่ติดกับชายดงเพื่อพิกขาจาร์มาหล่อเลี้ยงสังขารเมื่อไปถึงหมู่บ้านมีชาวบ้านมาใส่บาตรด้วยความศรัทธาพอสมควรจึงได้กลับคืนสู่ร่มไม้ที่พักเดิม ขณะที่กําลังทำพัฒนารกิจด้วยความสํารวมนั้นเนรู้สึกว่าพื้นดินที่นั่งนั้นถ้าบุ๋มลงไปผิดปกติหลังจากฉันเรียบร้อยแล้วท่านก็ลุกขึ้นยืนดูพื้นดินซึ่งนั่งเมื่อสักครู่พิจารณาเห็นแล้วว่ามีรอยเท้าเสือขนาดใหญ่เหยียบเอาไว้นอกจากนั้นยังมีรอยเท้าเสือตัวเดียวกันเหยียบย่ําทั่วบริเวณสแสดงว่าขณะท่านเดินไปบินทบาทนั้นเสือตัวนี้ได้มาปุ่นเปี้อนอยู่ใกล้โคนต้นไม้แห่งนี้แล้ว และไม่รู้ว่ามันยัค ง, งแอบซุ่มอยู่ใกล้ๆอยู่หรือเปล่าเมื่อรู้ว่าเสือมาเยือนถึงที่ปฏิบัติภาวนาผันก็เกิดอาการขนลุกกรูเกียวกราวด้วยร่มวาดกลัวที่พุ่งขึ้นมาโดยไม่ทันตั้งสติความตั้งใจมุ่งมั่นแต่แรกว่าจะไม่พลันพึงต่อความตายต่อให้มีเสือร้ายมาขบเขยิม้มก็จะไม่หวั่นไหวพอมาเจอของจริงเข้ามีเสือเข้ามาป้วนเปี้ยนถึงที่พักนี้และเป็นที่แน่ว่าพระอาทิตย์รับฟ้าเมื่อไรเสือจะต้องมาที่นี่อีกอย่างแน่นอนไม่ต้องสงสยัย เพราะเสือนั้นน่าจะรู้แล้วว่ามีมนุษย์อยู่ที่นี่ความกลัวจึงเกิดขึ้นอีกครั้งยิ่งคิดไปถึงคําเตือนของชายชาวบ้านที่เล่ามาถึงเรื่องของเสือเย็นหรือเสือสมิงให้ฟังเนนน้อยก็ยิ่งหวั่นไหวเพราะถ้าเป็นเสือสมิงซึ่งเคยฆ่าสัตว์และพราาผลานชีวิตมนุษย์มาแล้วหากมันไม่เห็นเนนอยู่ในที่โล่งไร้มุงบังนี้เห็นทีจะลงมือสังหารด้วยเขี้ยวทันทีที่เนนมั่นใจว่าตัวเองไม่กลัวตายมาถึงขนาดนี้กลับไม่เป็นอย่างนั้นอีกแล้วไม่เห็นรอยเสือเข้ามาเท่านั้น ไม่รู้ว่าความกลัวมันมาจากไหนยืนใจสัน่นคิดว่าถ้าจะของรอยเท้านี้ปรากฏต่อหน้าต่อตามันคงกระโดดเข้ามาขย่ํากัดกินเป็นแน่อารมณ์ของความกลัวก็ครอบงําจิตอยู่คู่หนึ่งแต่เมื่อได้สติว่าตัวเองกําลังกลัวเสือซึ่งแท้จริงแล้วก็คือกลัวตายนั่นเองทําให้อดนึกขำไม่ได้เพราะก่อนจะมาพบเห็นรอยเท้าเสือจิตมันยังคุยโวโอ้อวดเลย ว, ว่าไม่กลัวความตายยินยอมพร้อมใจที่จะตายได้ทุกเมื่อโดยไม่หวั่นวัน แต่แท้ที่จริงจิตไม่ก็ยังขาดเข่ากลัวความตายอยู่เนี่ยแหละกลัวการพัดพรากจากโลกนี้ไปอยู่นั่นเองเนนยืนพิจารณาความเป็นจริงของการมีชีวิตอยู่ซึ่งมีอนัตตาเป็นสัจธรรมกายสังขารซึ่งห่อหุ้มด้วยกลื่อนอันหนาหนักมีเพียงรูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณประกอบเข้าด้วยกันกายนี้ไม่สามารถตั้งอยู่อย่างคงที่ได้เมื่อจเจริญเต็มที่แล้วก็เริ่มเสื่อมเพื่อที่จะไปจบสิ้น ที่ความตายเหมือนกันทั้งหมดที่ตนเองดันด้นเข้ามาในป่าก็เพื่อจะหวังผลการขัดเกลากิเลสให้หมดสิ้นไปเพื่อจะได้พ้นทุกกองใหญ่ในสังขารนี้เป็นสําคัญตั้งใจจะสิ้นพบสิ้นชาติแต่เพียงชาตินี้ไม่เวียนว่ายตายเกิดมารับทุกต่อไปแต่พอมาเจอกับรอยเท้าเสือเท่านั้นกลับเกิดความรักตัวกลัวตายอย่างได้สติเมื่อคิดได้เช่นนี้สติก็สามารถควบคุมจิตใจได้ความกลัวเสือความตายก็หายไปจิตเกิดความองอาจกล้าหาญ สลายความหวาดกลัวความพลั่นพึงไปจนหมดสิ้นจึงได้นั่งลงพิจารณาความเป็นจริงกลับไปกลับมาซึ่งครูบาอาจารย์อบรมสั่งสอนจิตก็มารวมตัวเข้าสู่ความสงบและนิ่งสู่สมาธิอีกครั้งไม่รับรู้ถึงอารมณ์อื่นใดทั้งสิ้นสัมมเนนหรือครูบาธรรมชัยดึงลึกอยู่ในสมาธิเนิ่นนานจวบจนเวลาเลื่อนไหลสู่ช่วงเย็นแดดอ่อนๆสาดจับปลายยอดไม้เนนจึงคลายออกจากสมาธิ จิตใจปลอดโรปร่งปราศจากความมิตกกังวลใดๆมาคล้องติดเมื่อเห็นว่าเป็นเวลาอันเหมาะสมจึงได้เตรียมตัวไปส่งน้ําที่ลําห้วยเพื่อชำระร่างกายเดินออกจากร่มไม้ที่พักตรงไปยังลําห้วยซึ่งอยู่ไม่ไกลนักพอเดินพ้นพุ่มไม้ดอกหนาออกไปเต็มตัวก็ประสบกับภาพที่ไม่คาดฝันไม่จะได้พบเห็นนั่นก็คือที่ริมห้วยนั้นเสือโคร่งตัวมหึมากําลังกินน้ําอยู่ทันทีที่สัมมาเรณปรากฏตัวขึ้น เสือใหญ่ตัวนั้นก็หันขวับมามองเต็มตัวเนร์นเองก็ตกตะลึงจังงังเสือก็คงจะตกตะลึงเช่นกันเสือตัวใหญ่เจ้าป่าย่อตัวในกริยาเตรียมถูโจมเข้าหาตะครุบเหยื่อพรางส่งเสียงคำรามกระหึม่มตะบะบารมีของสัตว์ร้ายที่กินคนนั้นบีบคั้นกดดันจนสติของสัมมเนรไม่อาจจะควบคุมได้ความรักตัวกลัวตายที่สูญเสียไปเมื่อกี้นี้มันหงุดหับดขึ้นมาอีกครั้งวินาทีนั้นเสือใหญ่ก็แผดเสียงลั่นสนั่น แล้วก็กระโจนพรวดเข้ามาตะปบด้วยความตกใจเนนผงะถอยหลังบังเอิญมีรากไม้ขวางอยู่ข้างหลังจึงสะดุดรากไม้ไหยหลังล้มลงไปร่างเสือลอยเ ล, ลื้อยผ่านไปอย่างวุ่วิตพอถึงพื้นก็กระโจนแถวหายไปในป่าส่วนเนนหรือครูบาธรรมชัยนั้นยังคงนอนตัวสั่นเทาด้วยความตกใจกลัวและหวาดวันคิดว่าตัวเองคงเป็นเหยื่อให้เสือกัดกินเป็นแน่แต่เสือนั้นก็เงียบหายไปนอนอยู่ในท่าเดิมพักใหญ่จึงได้สติ ลุกขึ้นมานั่งพิจารณาจิตของตนเองอีกครั้งด้วยความละอายใจเพราะแท้จริงแล้วจิตของตนก็ยังคงถูกความบาดกลัวครอบงำไม่เลิกการที่จิตมันอ่อนไหวให้อารมณ์นั้นมีอำนาจเหนือกว่าก็เพราะขาดสติขาดความมั่นคงเมื่อขาดสติปัญญาก็พลอยมืดบอดตามไปด้วยอย่างน่าสังเวชพิจารณาได้เช่นนี้แล้วสมเรีจนจึงตัดสินใจจะตามไปหาสื่อตัวนั้นอีกครั้งเมื่อจิตมันยังหวาดนวานอยู่กับกิเลส ก็จะยอมใหเสือตัวนั้นฉีกเนื้อกัดกินให้มันรู้แล้วรู้รอดไปสมณเนนตัดสินใจมอบกายถวายชีวิตให้แก่เสือคิดว่าแค่กิเลสความกลัวเพียงเท่านี้ยังตัดไม่ขาดและจะไปตัดกิเลสอันใหญ่หลวงที่ครอบงําชีวิตอยู่ได้อย่างไรดังนั้นแทนที่จะส่งน้ําชำระร่างกายสมณเนนกลับเดินตามรอยเสือที่ประทับไว้บนพื้นดินไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆหวังเอาไว้ว่าจะเผชิญหน้ากับเสืออีกครั้งหนึ่งดูซิว่ามันจะขาดกลัวเหมือนเดิมอยู่หรือไม่ หากไม่สามารถควบคุมสติได้ก็ให้เสือมันขบกัดจนตายไปซะเถอะเมื่อคิดเช่นนี้แล้วสั ม, มนเนรก็เดินดุ่มเป็นฝ่ายตามหาเสือเสียเองโดยไม่รอให้เสือมาตามล่าอชีวิตยอย่างที่ผ่านมาร่องรอยของเสือพอมองเห็นได้ชัดเจนเป็นระยะระยะร่องรอยนั้นมุ่งตรงไปยังโคนต้นไม้ใหญ่ซึ่งเป็นที่ที่เนยนยึดเป็นที่พักภาวนาปฏิบัติธรรมอยู่คล้ายๆกับว่าเสือตัวนั้นมันย้อนรอยไปดักรอคอยโอกาสเพื่อจะหาโอกาสสังหารเนน สัมเนยียนหรือครูบาธรรมชัยในขณะนั้นจิตใจมั่นคงองอาจไม่กลัวตายแม้จะเห็นร่องรอยของเสือบ่ายหน้าไปยังที่พักของตนแต่ความบันไหวสะดุ้งกลัวกับไม่เกิดขึ้นอีกคงเดินหน้าแน่วกลับไปยังต้นไม้ใหญ่ซึ่งมีบริขารวางอยู่เมื่อเข้าไปใกล้มองไปข้างหน้าแทนที่จะเห็นเสือใหญ่รอคอยอยู่กลับเห็นเป็นพระธุดงค์รูปหนึ่งนั่งสงบอยู่ตรงโคนต้นไม้ใหญ่เมื่อเดินเข้าไปใกล้ๆก็สังเกตเห็นได้ว่า พระธุดงรูปนี้มีผิวคล้าเกลียมแต่มีสง่าราศีเปล่งปลั่งหน้าเลื่อมใสเนนเดินเข้าไปใกล้พอสมควรกระสุดนั่งลงณมั ส, ส ก, การนอบน้อมกาลังเดินตามหาเสืออยู่หรือจะให้เสือมันกินหรือเนนคําพูดที่พระธุดงทักทายทําอําเนนถึงกับสะดุ้งเพราะปันหนึ่งว่าท่านรู้วาระจิตมาดูตลอดเนนไม่ตอบคําพูดที่กึ่งคําถามนั้นหากย้อนถามท่านไปว่าพระคุณเจ้าเคยพบเห็นเสือตัวใหญ่ตัวหนึ่งบ้างไหมครับ เห็นหรือไม่เห็นก็ไม่ได้มีความหมายสำคัญอะไรใจของเราสำคัญยิ่งกว่าสิ่งอื่นภายนอกหากใจเราสะอาดบ ร, ริสุทธิ์มีศีลมีสมาธิปัญญาเต็มภูมิแล้วเสือสิงหรือสัตว์ใดๆก็จะไม่เข้ามาข้องแวะและประสงค์ร้ายพระธุดงค์ตอบออกมาเน้นกราบเรียนถามท่านว่ามีชื่อเสียงเรียงนามว่าอย่างไรและจำพรรษาอยู่วัดใดแต่พระธุดงค์รูปนั้นไม่ตอบคาถามท่านบอกแต่เพียงว่า เป็นพระธุดงค์ซึ่งจาริกไปเรื่อยๆเพื่อปฏิบัติธรรมพร้อมกันนั้นท่านได้แนะนําข้อธรรมหลายข้อรวมทั้งแนวทางปฏิบัติภาวนาและเดินจงกรมที่ถูกวิธีเพิ่มเติมให้และข้อสําคัญที่สุดซึ่งพระธุดงค์ลึกลับเมตตาแนะนําให้ก็คือการปฏิบัติธรรมกระทําความเพียร น, นั้นย่อมจะมีครูบาอาจารย์แนะนําสั่งสอนเมื่อใดที่ขัดข้อในข้อธรรมข้อใดครูอาจารย์จะได้ช่วยชี้แนะนําให้เข้าใจชัดเจน ท่านยังแนะนําว่าสมเนินควรไปนอบน้อมกราบไหว้ขอตัวฝากตัวเป็นสิทธิ์กับท่านครูบาศีวิชัยพระมหาเทระผู้ยิ่งใหญ่แห่งล้านนาเดนก็ก้มลงกราบรับเอาคําชี้แนะทั้งหลายด้วยความเคารวจากนั้นพระธุดงลึกลับก็ลาจากไปอย่างเงียบๆโดยไม่รู้ว่าท่านธุดงไปทางใดต่ออีกพระธุดงรูปนี้จะเป็นเสือเย็นหรือเสือสมิงใช่หรือไม่เป็นเรื่องยากที่จะระบุชี้ชัดลงไปได้แต่ถ้าท่านสําเร็จวิชาเสือสมิง ถึงขั้นจำแรงแปลงกายได้จริงๆคงเป็นไปไม่ได้ที่ท่านจะมาละวาดฆ่าคนฆ่าวัวฆ่าควายเพราะมันถือว่าเป็นกรรมหนักอาจเป็นไปได้ว่ามีเสือจริงๆบุกรุกเข้ามาขบกัดวัวควายของชาวบ้านและสังหารผานชีวิตของผู้คนไปบังเอิญมีผู้พบเห็นพระธุดงค์รูปนี้อยู่ใกล้ที่เกิดเหตุจึงเหมาเอาว่าเป็นพระธุดงค์มีวิชาเสือสมิงก็ได้ดังนั้นเรื่องเสือสมิงจึงเป็นเรื่องที่ไม่สามารถหาพยานหลักฐานมายืนยันได้ร้อเปซน แล้วก็จะมีเรื่องตำนานวิชาแปลงร่างเป็นเสือสมิงของหลวงพ่อกลวยวัดโคสิตตารามด้วยเช่นกันนะครับหากมีท่านใดเคยรับฟังจากที่อื่นแล้วก็ขออภัยเป็นอย่างยิ่งนะครับตามประวัติที่เล่าขานกันมาเล่ากันว่าหลวงพ่อกลวยท่านเป็นพระแปลกนอกจากตัวเองจะเก่งแล้วสิทธิ์ของท่านยังเก่งด้วยเช่นกันก็คือสมัยก่อนลุงเมืองมั่นปานคนบ้านหนองตาแก้วสิทธิ์รุ่นเก่าของหลวงพ่อกลวยในตัวแก่นั้น ไม่ปรากฏว่ามีพระของหลวงพ่อกุยเลยสักองค์ที่ไม่มีก็เพราะแกน่ะติดฝิ่นพอหิวฝิ่นขึ้นมาอะไรๆใกล้ๆมือก็จะแปลเปลี่ยนเป็นฝินไปหมดโดยไม่เกี่ยวข้องกับคาถาอย่างใดก็คือไม่ต้องใช้หลวงพ่อกลวยท่านรู้แต่ยังรักและเมตตาลุงเมืองมากหลวงพ่อสักขันุมานเชิญทงไปให้หนึ่งตัวที่สีข้างของลุงเมืองลุงเมืองนั้นเคยโดนยิงมาหลายครั้งแล้วเขาว่าแกโดนมาครบทุกขนาดแต่ไม่ทราบว่าครบทุกยี่ห้อหรือเปล่า ตามตัวลุงเมืองเมื่อรูปดูตามแข้งขาและแผ่นหลังเห็นเป็นเม็ดเม็ดรูปไปไม่รู้ว่าแข็งปานใดถามแกดูแกจะบอกว่าโดนยิงมาตั้งแต่ยังหนุ่มสมัยหนุ่มอาชีพหลักของแกก็คือสูบฟินอาชีพเสริมของแกก็คือเป็นจอมยุทธมีวิชาล้ำเลิศอะไรพอหยิบเวยได้แกจะใช้วิชาตัวเบามือเบาของแกนะ่ะยิ้มเขามาแปลเปลี่ยนเป็นทุนประจําเขาก็เลยเห็นแกเป็นเป้าเคลื่อนที่โดยใช้ฝึกมือเสียหลายครั้ง ทั้งเจ้ารับและเจ้าหน้าที่ตํารวจเมตตาลุงเมืองอย่างมากจัดให้แก่ครบเสร็จทุกขนาดแต่ไม่เคยเข้าถ้าจะให้คิดตามก็คงเป็นพราะรอยสักหนุมานที่หลวงพ่อเกวสักไว้ที่ตัวแกนั่นแหละเพราะนอกจากนี้ก็ไม่มีของอื่นใดนอกจากรอยสักสมัยก่อนทราบว่าหลวงพ่อได้สอนวิชา ห, หัวใจเสือสมิงให้กับศิษย์ไว้สองคนศิษย์คนแรกที่ร่ำเรียนไปไม่มั่นใจว่าจะเป็นหลวงตาจีตหรืออาจารย์เตี้ยวัดสามเอกแต่ที่แน่ๆหลวงตากริ่งสุกนินเรียนไว้และทําได้ ตามประวัติได้บันทึกเคยเห็นแก่เสกลงวิชาที่ดงไผ่เลี้ยงหลังวัดเขาเห็นแก่แปลงร่างเป็นเสือโครง่งตัวใหญ่กระโดดโขกหากอยู่ในกอไผ่เลี้ยงออกมาไม่ได้พระติดอยู่ในกอไผ่จนหลวงพ่อกลวยมาเสกอาคมให้จึงได้กลับกลายสภาพเดิมได้หลวงพ่อกลวยท่านเมตตาหลูงตากริ่งมากด้วยพ่อแม่ยากจนมีลูกก็มากจึงนํามาฝากหลวงพ่อไว้ตั้งแต่เด็กๆให้เป็นเด็กวัดทั้งเล่าเรียนอยู่กับหลวงพ่อจนเติบโต ตอนเด็กๆสมัยที่พ่อแม่ได้นํามาฝากไว้นั่นน่ะมีมาด้วยกันสามคนพี่น้องเด็กชายกลวยเด็กชายกริ่งเด็กชายแกะทั้งสามพี่น้องนี้มีเพียงเด็กชายกริ่งผู้เดียวที่บวชไม่สึกในวัดโคสิตารามหากนับศิษย์พระผู้เรียนอาคมจากหลวงพ่อกลวยยุคหนึ่งที่เรื่องชื่อก็คือหลวงตาจีตคนบัดแคร่รูปนี้เก่งและขลังมากมีเรื่องราวเยอะวิรกรรมมากเพราะท่านร้อนวิชาเรียนมาจากหลวงพ่อกลวยมามาก จัดว่ามากเกินไปเสด้วยขลังจัดจนเกินพอดีออกจากร้อนๆทําอะไรแผลงๆส่วนสิทธิ์พระจอมอาคมยุคสองขอจัดให้หลวงตากริ่งรูปนี้ท่านทําได้จริงดังที่กล่าวมาสมัยที่หลวงพ่อกลวยยังอยู่หลวงตาติ่งท่านก็ยังอยู่ที่วัดโคศิตตารามต่อมาเมื่อหลวงพ่อกลวยมรณภาพลงทั้งหลวงตาจี้ดและหลวงตาติ่งสิทธ์จอมอาคมทั้งสองต่างแยกย้ายออกจากสํานักออกท่องเที่ยวไปเปรียบดังต้นโพยใหญ่เมื่อล้มลง หมู่นกกาต่างแยกย้ายหาแหล่งใหม่เขาว่าผู้มีอาคมมากๆหากไม่มีบารมีของบุคคลหรือสถานที่ศักดิ์สิทธิ์เหนือกว่าพอจะครอบคลุมไว้ให้ความรุ่มร้อนของวิชาอาคมนั้นเย็นลงได้ถ้าจะต้องเที่ยวไปเรื่อยๆไม่อยู่ติดอยู่ที่ใดานานโบราณเรียกว่าร้อนวิชาคนประเภทนี้มักจะขลังจัดประชอบทาอะไรแผลงๆผู้คนจึงมีทั้งที่ยอมรับและไม่ยอมรับกันหลวงตาติ่งภายหลังย้ายอาวาสไปอยู่กับ พระครูพิมพ์วัดสนามชัยช่วงที่พระครูพิมพ์ยังมีชีวิตอยู่หลวงตากริ่นก็อยู่ดูแลคอยช่วยเหลือและต่อมาเมื่อพระครูพิมพ์มรณภาพลงหลวงตากริ่งท่านก็ย้ายอาวัตไปเรื่อยๆไปอยู่วัดหลายวัดแต่ไม่แสดงตัวบ้เข้มขลังทางวิทยาคุณเข้าใจว่าท่านอยู่กับพระเกจิมามากคงเห็นความเหนื่อยยากในการที่จะเป็นครูบาอาจารย์ของเขาจึงไม่ยอมเป็นอาจารย์ใครไปไหนมาไหนแบบหลวงตาสุดท้าย จึงกลับไปอยู่ที่วัดหนองตาแก้วและมรณภาพที่นั่นทราบว่าเมื่อมรณะภาพแล้วเงินทําศพก็ยังไม่มีเขานําท่านห่อใส่เสื่อลําแพนในการสวดคืนแรกภายหลังญาติพี่น้องรวบรวมปัจจัยซื้อลงถวายท่านเพราะญาติพี่น้องท่านสมัยนั้นก็ยังยากจนอยู่ด้วยตัวท่านเองก็ไม่สะสมลาบสักการะอันใดเลยส่วนวิชาหัวใจเสือสมิงนั้นทราบว่าภายหลังหลวงพ่อเกวยมรณภาพลงหลวงตา ก, กิ่นก็ไม่เคยเสกทําวิชาดังกล่าวขึ้นอีก เข้าใจว่าท่านคงเกรงว่าจะกลับคืนสภาพเดิมไม่ได้เพราะเมื่อสิ้นหลวงพ่อกลวยองค์อาจารย์แล้วหากมีเหตุผิดพลาดประการใดคงไม่มีผู้ใดมีอาคมพอที่จะมาแก้ไขให้ท่านได้เป็นแน่แท้วิชาหัวใจเสือสมิงจึงเหลือเพียงตำนานและเรื่องราวที่ยังคงอยู่คู่กับประวัติอันอัศจรรย์ของหลวงพ่อกลวยและเหล่าลูกศิษย์ของท่านให้ลูกหลานได้เล่าขานสืบต่อกันมาเรื่องวิชาแปลงร่างเป็นสัตว์นี้ก็ยังมีบันทึกอีกตำนานหนึ่งของหลวงปู่กาหลวงด้วยเช่นกัน มีความว่าหลวงปู่กาหลงเล่า ว, ว่าสมัยที่ท่านยังหนุ่มอยู่ชอบปลีกวิเวกตามป่าเขาจนกระทั่งวันหนึง่งได้มาพักจําพรรษาอยู่ที่วัดดาวดึงจังหวัดสิงห์บุรีซึ่งในขณะนั้นวัดนั้นยังเป็นวัดร้างชํารุดโดยคืนแรกมีเหตุการณ์ประหลาดเกิดขึ้นคือมีเสียงพายุกระหน่ามีเสียงวีดร้องของผู้ผีปีศาจคืนที่2มีกลิ่นเหม็นเน่ารักเข้ามามีฝูงมดดําตัวใหญ่นับหมืน่นคลานลอรอบๆอลดที่ท่านปัก คืนที่สมีเสียงเหมือนคนตัวสูงเท่าต้นไม้มาเดินวนเวียนอยู่รอบกดหลวงปู่แก้ไขด้วยศีลสมาธิปัญญาบารมีผสานกับความเชี่ยวชาญทางสายวเวทจึงผ่านพ้นอุปสรรคไปได้อย่างราบรื่นจนกระทั่งมีเงาดำทะมึนมายืนปรากฏ ต, ต่อหน้าขณะที่ท่านนั่งบริกรรมพอท่านลืมตาก็เห็นชายชาราอายุมากกว่าร้อยปีใบหน้านั้นดุดันแล้วก็ค่อยๆเปลี่ยนเป็นหน้าของเสือที่ดุร้ายและได้ถามท่านว่า หลวงปู่เป็นใครมาจากไหนและฤาษีหน้าเสือนั้นก็ได้บอกว่าเหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นล้วนเกิดขึ้นจากอานาจของตนเองทั้งสิน้นและได้บอกอีกว่าตัวท่านเคยบวชเป็นพระในกษัตริย์องค์ที่สองของกรุงศรีอยุธยาชื่อว่าหลวงพ่อครุฑในอดีตเคยฝึกวิชาเสือสมิงจนแก่กล้าแต่ด้วยอาถรรพ์แห่งวิชาเสือสมิงนั้นระทั่งมรณภาพลงวิ ญ, ญญาณได้กลายสภาพเป็นฤาษีที่มีศีรษะเป็นเสือและเพื่อเป็นการพิสูจน์ว่า ท่านพูดจริงหรือไม่ท่านได้พาหลวงปู่ไปดูกลุ่สมบัติที่ใต้ต้นยางใหญ่พอขุดลงไปก็พบเจอพระพุทธรูปทองคำขนาด9นิ้วสององค์ให้ได้เห็นจนกระทั่งหลวงปู่กาหลงมาสร้างวัดเขาแหลมเมื่อปี2513ขณะที่หลวงปู่นั่งกรรมาฐานก็มีร่างทิพย์ ป, ปู่เสือมาปรากฏและกล่าวว่าจะมาขออยู่ด้วยช่วงนั้นหลวงปู่สร้างโบสแต่ยังขาดปัดจจัยที่จะสร้างสารฤาษีให้อยู่ จึงมีชาวบ้านที่ทราบข่าวได้มาเสียงอธิษฐานขอโชคขอลาบปรากฏว่าถูกรางวัลใหญ่เลขหกหลักจึงได้นําเงินมาสร้างศาลถวายฤาษีปู่เสือซึ่งตอนนี้ก็อยู่ใต้ต้นมะข่าหน้ากุฏิหลงปู่กาหลงมาจนถึงทุกวันนี้นี่แหละครับก็เป็นการรวบรวมของวิชาแปลงร่างเป็นเสือผนวกกับเรื่องของเสือสมิงเข้าไปในตัวที่ผมได้หามาเล่าให้ทุกท่านได้ฟังนะครับช่วงนี้เสียงอูอี้ขออภัยนะครับกินทั้งทิฟฟี่ท่านนูต้าแล้ว มันกยย็ยังไงก็ขอให้ทุกท่านได้รับสาระกับความบันเทิงนะครับพบกันใหม่คลิปหน้านะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ